อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นํารายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าหลังจากที่เราได้เปิดสถานีในเวลาตีห้ก็จะมีรายการธรรมารับอรุณนี้แหละค่ะมารับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้อ่ารับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นธรรมะดีๆที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้น มีความสุขสงบแล้วก็สามารถดําเนินชีวิตไปได้อย่างปราศจากความทุกข์นะคะเช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคมวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะโรงนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำมัศการาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์คงปาถกประจํารายการของเรา จากวัดป่าดอนไฮโซตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะจึงหวัดนี้ก็มีพระเดชพคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัวโสท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้มีความเมตตาสูงยิ่งเลยนะคะกลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาะจรารย์เจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะเมื่อเช้าเมื่อวานนะเจ้าค่ ะ, ะพระอาจารย์ได้เมตตามาพูดให้ฟังหรือให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ย หรือว่าทําตามคําสั่งสอนขององค์พระชมมาัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับเราผสมส่วนผสมของขนมเค้กนะเจ้าคะคือ ท, ทำอาจีพุระเจ้าองค์ได้ทรงสั่งสอนหรือว่าทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนันเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้ได้บรรลุอย่างที่องค์พระชมมาัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุจนกระทั่งอาจะครบ 2,600 ปี ในวันวิสาขาบูชาในเดือนหน้านี้แล้วนะเจ้าคะก็รว่าเป็นปีที่เราเฉลิมฉลองอพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าคะเช้าวันนี้ยมก็เลยอยากจะขออนุญาตที่จะกราบนักบัญชาการพระอาจารย์ไยบูลนะเจ้าคะแล้วได้มาพูดคุยกันถึงปฐมเหตุเจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องนี้พระอาจารย์เคยได้เมตตาสากฉามานานแล้วแหละตั้งแต่เราเริ่มต้นรายการธรรารับของเราใหม่ๆแต่เช้าวันนี้อยากจะขอนํามาเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะเพราะว่าจะสอดคล้องกับที่เมื่อวานพระอาจารย์ได้ให้แง่คิดไว้นะเจ้าค่ะว่าประสมเหตุที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมานั้นเนี่ยมีเรื่องหนึ่งหรือว่ามีธรรมะแก่นธรรมะคาสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่อง ปฏิจจสมุตบาทเนี่ยเจ้าค่ะบาทนะเจ้าค่ะปฏิจจสมุตบาทอันนี้เนี่ยมีอย่างไรในรายละเอียดเจ้าค่ะขอกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทน ะ, ะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยฟังดูแล้วแหมมันก็ชื่อมันลึกน้ำเหลือเกินนะมา <Okay. S 1> ดูหัวเรื่องแรกๆเราก็เลยคิดวโอโหแหมทำไมมันลึกซึ้ง ข, น, ขนาดนี้คามันก็อ่านยากเหลือเกินสมุปบาทหรือสมุปบาบาทนี่นะ <Okay. S 1> ทำไมมอม้ากับปอบ า, าต้องมากล้ามกันด้วย นะจริงๆแล้วที่คุณเตยใจพูดถึงเป็นปฐมเหตุเนี่ยนะอันนี้พูดได้อย่างดีทีเดียวเพราะว่ า, เ, าเป็นคําสอนที่พระเจ้าบอกว่าเป็นลักษณะว่ า, าถ้าจะพูดจริงๆนะอันนี้คือแก่นของคําสอนของพระพทธเจ้านะเป็นระบบการทํางานที่เป็นเหตุเป็นผลที่เรามักจะเข้าใจว่าหัวใจของคําสอนของพระเจ้าคือว่าไม่ทําบาปทั้งปวงใช่ไหมทำกุศลอยูถึงพร้อมทำสีเให้บริสุทธิ์อันนี้ที่พระพุเจ้าบอกใช่ไหมเป็นเป็นเขาเรียกว่าหลักคําสอน นะที่นี้อ่านี่คือคือหลักหลักธรรมนะหลักธรรมแต่ขั้นตอนการทํางานนะขั้นตอนการทํางานของธรรมะที่พระเจ้าประกาศทั้งหมดเนี่ยขั้นตอนการทํางานทั้งหมดเลยนี่นะกระบวนการการทำงานเนี่ยเกิระบบที่ทําให้มันทํางานกันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือระบบของความเป็นเหตุเป็นผลนะเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุก็มีผลแ่งที่ปภาษาชาวบ้านเราจะเข้าใจกันว่าหลักการของความเป็นเหตุเป็นผลนะ ทีนี้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลอย่างที่ฝรั่งเขาคิดคิดกันเนี่ยคือเขาพูดถึงแต่เวลาที่มันเกิดขึ้นอย่างเดียวนะถ้ามี A ต้องมี B แนละ้ว <Okay. S 1> ถ้ามีบแสดงว่า a มีอย่างเงี้ยเขาก็จะสรุปกันได้อย่างงี้แต่นะ <Okay. S 1> ทีนี้โปรโชาของเราเนี่ยพูดถึงทั้งการเกิดขึ้นและการดับไปนะมีความรัดกุมในเรื่องของการดับไปด้วยนะัก็คือหมายก็ว่าถ้า A ไม่มี B ก็ไม่มนะีเพราะ A ดับไป B ก็จะดับไปด้วยนะอันนี้หลักการการกระทํางานตรงเนี้ย นะที่เราเข้าใจกันได้ง่ายว่ามันมีเหตุเป็นผลเนี่ยนะถ้าฉันพูดขึ้นมาเธอก็ต้องได้ยินเสียงอย่างี้นะ <Okay. S 1> หรือถ้า <Okay. S 1> ไมค์ไม้กระทบกับแผ่นหน้าหนังของกลองเสียงก็ต้องออกมาอย่างนี้นี่เป็นเหตุเป็นผลกันนะ <Okay. S 1> ห, หลักความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้แหละที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าเคยใช้คำหนึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปป น, น, นะธรรมปฏิจจสมุปปนะธรรมแปลว่าธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น นะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงคือที่ที่เราบอกว่า A แล้วบีนะถ้ามี A แล้วต้องมีบนะีเนี่ยคือถ้าไม่มี B เนะี่ยไม่มีเอในบีก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าไม่มี BA ก็อยู่ไม่ได้นะ <Okay. S 1> คือหมายความว่ามันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะั้ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะฟังแล้วเข้าใจกันนะั้ก็คือท่านภาษาดิบด์เคยเปรียบเทียบกับเหมือนไม้อ้อสองคำพิงกันอยู่แตนะ่ถ้าใครเคยเรียนลูกเสือหรือคุณตนใจเคยเรียนในเนนา리ไหม สมัยก่อนเรียนเจ้าค่ะเรียนเจ้าค่ะสวัยก่อนเขต้องอเป็นการชาติเจ้าค่ะเขาการชาตินะเขาเขาจะเอาไม้พลองจะมีไม้พลองเนี่ยเขาต้องมาเป็นหมู่ใช่ไหมหมู่นึงมีเก้าคนบ้างสิบคนบ้างเนี่ยแต่ละคนก็จะมีไม้พลองของตัวเองนะก็ต้องเอาไม้พลองมาขัดกันให้เป็นกลมๆแล้วก็พิงกันอยู่นะถ้าสมมติเอาออกสักอันหนึ่งมันก็ยังจะไม่ล้มอันที่น้อยที่สุดที่จะอยู่ได้ด้วยกันเนี่ยคือต้องมีสามอันเป็นอย่างน้อยขัดกันพอดีนะเหมือนลักษณะของ ก็อีสามขาเออเป็นกระโจมเป็นกระโจมโโทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่มีฝีมือมากๆเลยเขา อ, อาจจะทําได้สองอันแต่อันเดียวจะอยู่ไม่ได้พิงกันนะไม่ได้ปักลงดินนะนะทําได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสองอันนะคุณจะสามารถทําได้นะถ้ามีฝีมือจริงๆนะอาจจะทําได้แป๊บเดียวด้วยซ้ํานะไม่ได้นานด้วยตรงนี้แหละที่ผู้ชมชอบบอกว่าท่านภาษาดีบุตรบอกว่าเหมือนกับไม้อ้อสองกำพิงกันนะถ้าปัดอันหนึ่งล้มอีกอันหนึ่งล้มด้วย อันหนึ่งล้มอีกอันหนึ่งล้มด้วยก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรรมที่1กับกรรมที่2เนี่ยต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะอันนี้ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งน ะ, ะถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราไปอยู่ในอวากาศอยู่ในอวากาศนะมืดไปหมดเลยนะ <Okay. S 1> เราเราไม่ได้มีตัวมีอะไรมีแต่ตาอย่างเดียวนะเราเรานึกถึง <c oughs> หนังอวากาศต่างๆที่เขาเคยดูนะว่าเวลาเขาบินออกไปมันมืดขนาดไหนเนี่ยสมมติว่าเรานั่งยานอวากาศออกไปลำหนึ่ง นั่งเอไปถึงสุดปุ๊บเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้มันมันมีแสงผ่านมาหรือไม่นะัที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันมีแสงผ่านมาหรือไม่นั่นะจะรู้ได้ว่ามีแสงหรือไม่เนี่ยคุณต้องมีวัตถุมากระทบคือมีฉากมารับนั่นะพอมีฉากมารับแสงสะท้อนฉากเข้าถึงตาเราเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้มีแสงอยู่นะัแล้วก็เพราะว่ามันมีมากระทบฉากถูกไหมเราถึงจะรู้ว่ามีแสงนั้นะในขณะเดียวกันถ้าเพราะว่า เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตรงข้างหน้าเราเนี่ยมันมีวัตถุกันอยู่ไหมหรือว่ามีอะไรมาขวางอยู่ไหมนะมันก็จะต้องมีแสงมากระทบนะพอแสงมากระทบเดินวัตถุปุ๊บเราถึงจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้มีวัตถุอยู่เราไปไม่ได้ทางตันนะเพราะฉะนั้นแสงกับวัตถุเนี่ยเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นคุณเดินใจกันไหมแสงและวัตถุเนี่ยเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นคุณต้องมีแสงนะถึงจะมีวัตถุคุณถึงจะเห็นวัตถุได้แต่ถ้าไม่มีแสงแต่มีวัตถุอยู่คุณจะไม่เห็นวัตถุ แต่ถ้ามีวัตถุอยู่ไม่มีเห็นแสง ค, คุณก็จะไม่เห็นวัตถุนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นแสงกับวัตถุเนี่ยเป็นของที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นค่ะอันนี้เข้าใจหรือเปล่รัร้พี่ลเข้าใจเจ้าค่ะคุณเดินใจเข้าใจอยู่นะจุค่เะ เ, นะเพราะฉะนั้นมันเป็นของที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นนะเพราะอันหนึ่งมีอันหนึ่งจึงมีถ้าอันหนึ่งไม่มีอีกอันหนึ่งก็ดับไปได้จะไม่ไม่เกิดขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นของที่อาศัยกันและกันอย่างนี้นะพระเจ้าเปรียบเทียบกับแสงที่มันตกลงมากระทบอ่บ้าานนยงะ พระาบอกแสงตกลมากระทบบ้านแต่ถ hmm. ้ามากระทบบ้านแล้วเราเอาฝาเอาหลังคาบ้านออกเลยนะมันก็จะมากระทบฝาด้านตะวันออกใช่ไหมเอาฝาด้านตะวันออกออกไปอีกนะมันก็จะมากระทบฝาด้านตะวันตกที่อยู่ด้านในแล้วเอาฝาด้านตะวันออกออกไปอีกมันจะกระทบพื้นบ้านไม่มีลั้วมากระทบพื้นแทนเอาพื้นออกไปอีกมันก็จะไปกระทบน้ำนะขุดพื้นเราก็เจอน้ํานะเอาน้ําออกไปด้วยแสงก็จะไม่ปรากฏอือใชค่ะเพราะฉะนั้นแสงกับวัตถุเนี่ยจึงเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น โอ้โหนี่เป็นหลักการที่เฉยนะนี่เป็นหลักการากาเปรียบเทียบให้ฟังแต่ทีนี้ชีวิตรจริงเป็นอย่างไร <c oughs> พระเจ้าพูดถึงเรื่องของผัสสะกับเวทนานะผัสสะนี่เว่าการกระทบนะจึงมีความรู้สึกเกิดขึ้น เ, เพราะว่ามีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา <c oughs> เวทนาก็คือความรู้สึกใช่ไหมเจ้าคะใช่เวทนาคือความรู้สึก ความรู้สึกที่เป็นสุขบ้า ง, างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง<ช>นะภาษาตรงนี้มันก็มาไหลมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีมีทั้งหมด6อย่างนะบางทีเราเห็นรูปแหมของอันนี้แหมสวยงามจังเลยไปเดินทาง ส, สรรเสินค้ามาสีที่เราชอบด้วยนะพอเราเห็นปุ๊บเรามีสุ ข, ขเบฒาแล้วเราชอบแล้วนะเราชอบแล้วนะแต่บางเห็นบางสีอุย้ยอันนี้มันล้าสมัยแล้วอันนี้เป็นอันที่ชั้นใส่แล้วดูไม่ดีชั้นก็ไม่ชอบนะเพราะมีภาษาจึงมีเวทนาตรงนี้ นะบางอย่างชอบบางอย่างฉันไม่ชอบนะอันนี้เป็นลนักษณะของการเกิดขึ้นทีนี้ว่า <c oughs> พอพอมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเ น, นี่แหละคือเรียกว่าปฏิจจสมุปาฏิ ท, ทางานแล้วนะเป็นหลักการของปฏิจจสมุปาฏิแล้วนะเราไปไปร้านอาหารอย่างเงี้ยซื้ออาหารมาสักจานหนึ่งใส่เข้าไปเข้าไปในปากลิ้นนิ่มรสโอ้โหมันอร่อยจริงริงนะอันนี้ปฏิจจสมุปาฏิเกิดขึ้นแล้วเพราะมีผัสสะจึงมีเวทน า, านะพอใส่เข้าไปปุ๊บอา้าวมันมีเส้นผมอยู่นี่ใครทิ้ง เกิดความไม่ชอบขึ้นมาทันทีนะเอาก็เลยมีปฏิจจสมุปบาทละนะมีภาษาจึงมีเวทนานะที่ไม่ชอบนะมีภาษาคือเส้นผมจึงมีเวทนาที่ไม่ชอบนะมีภาษาคืออาหารรสอร่อยจึงมีเวทนาที่ชอบอย่างงี้จุคามันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้ทํางานกันอยู่อย่างงี้นะทีนี้ไอ้ที่บอกว่าภาษาเวทนาเนี่ยมันยังเป็นขาเดียวอยู่นะยังเป็นขาเดียวอยู่ทีนี้ไอ้ส่วนที่ว่าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือตรงไหนนพะพุทธเจ้าพูดถึงนามรูปกับวิญญาณ วิญญาณกับนามรูปพระดิจารสมาบัติเนี่ยเป็นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าพูดถึงอยู่ทั้งหมด11คู่ด้วยกันนะเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคู่ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือผัสสะกับเวทนามันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะแล้วก็ยังมีนามรูปกับเจ้าความรู้สึกความรับรู้นะนามรูปนี่คืออะไรก็คือกายกับใจของเรานี่แหละกายกับใจของเรานะพอเรามีกายกับใจเราจึงมีการรับรู้เกิดขึ้น นะเรารับรู้ได้ก็เพราะเรามีกายกับใจถ้าไม่มีกายไม่มีใจเราก็รับรู้ไม่ได้ <Okay. S 1> ะจะรับรู้จะมีขึ้นไปได้เราก็ต้องมีกายมีใจถ้าเราไม่รับรู้ได้กายใจก็ต้องไม่มีแล้เพราะฉะนั้นกายกับใจนะจึงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นกับความรับรู้ <Okay. S 1> มันก็จะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้ทีนี้ตรงเนี้ยที่เปรียบเสมือนไม้อ้อสองกำมันพิงกันเประเต็นก็คือว่ารู้ไปแล้วแล้วยังไงรู้แล้วยังไงแต่ว่าถ้าฉันไม่รู้แล้วฉันจะจ ะ, จะผิดไหม นะฉันเกิดมาเ พ, พิ่งเพเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนี้เอง <c oughs> นะแล้วก็มันเป็นยังไง <c oughs> นะคือพระเจ้าก็พูดถึงว่าบุคคลที่รู้ข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีความได้เปรียบก่าคนอื่นตรงนี้ที่ว่าคุณจะรู้ถึงความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นตรงนี้นะไม่มีอะไรในโลกนี้เลยคุณเดินใจพูดอีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรในโลกนี้เลยที่ไม่เป็นไปตามกฎนี้อืมจกค่ะพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มสบายใจละคุณจะเข้ามาสู่กระแสแห่ง เขาเรียกว่าการเห็นธรรมได้นะสมมุติว่าไอ้รู้ความเวทนาที่เกิดขึ้นกับฉันนี่มันเป็นเพราะอะไรนะไม่ใช่ว่าคนอื่นมาบรนดันให้หรือไม่ใช่ว่าเพระชั้นสร้างเองนะแต่เพราะมันมีผัสสะเกิดขึ้นฉันจึงมีความรู้สึกนี้นะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะโอ้โหคุณเป็นโสดาบันตันดีโซดาบันเนี่ยเขาจะเข้าใจกระบวนการการทํางานตรงนี้นะคืออาจจะอาจจะไม่รู้จักชื่อมันนะว่ามันชื่อปฏิจจสมุปาหรือมันเรียกว่าปฏิจจสมุปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะ อาจจะเป็นปฏิจจสมุปเกียรหรือว่าอะไรซึ่งซึ่งเราจะต้องอเข้าใจว่าอมันเป็นแค่ระบบการทํางานนะที่เป็นเหตุเป็นผล <Okay. S 2> เข้าใจแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดถึงส1บดคู่เลยกันนะบางคนจะเข้าใจว่ามันเป็นสายเป็นสายสายสายสา ย, สา ย, สายต่อกันมาอันนี้มันจะทําให้เราดูยากอาจจะทําให้งงสับสนนะผู้เชา่าเคยเปรยียบเทียบบอกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่สามารถแยกแยะออกเป็นคู่เป็นคู่ได้เนี่ยนะ เขาจะเกิดความสับสนเนีเหมือนยุ่งอิลุงตุงนางเหมือนกับรากของต้นไม้บางประเภทรากของต้นไม้บางประเภทเนี่ยมันอิลุงตุงนางกันมากเหมือนรากของต้นไผ่นะคุณเินใจเนีรากมันเนี่ยโหเยอะมากขัดกันเราไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นสายไหนสายไหนแต่แต่อย่างรากของต้นศักเนี่ยพอเราขุดขึ้นมาเราเฉพาะจะรู้ได้ว่านี่เป็นเส้นนี้ไปนี่เป็นเส้นนี้ไปว่ารากมันใหญ่รากมันหนาแต่รากของต้นไผ่นี่มันอิลุงตุงนางมาก เช่นเะดียวกันคนที่ไม่รู้เรื่องปฏิชชามุบาทเนี่ยเขาจะมึนไปหมดเลยจะมึนไปหมดเลยว่าฉันจะทําอันนี้ฉันจะดูหมอดีหรือฉันจะทําอะไรดีนะดูหมอหมอยายถึงว่าดูหมอดูนะฉันจะเปลี่ยนงานดีนี่ฉันต้องไปปรึกษาหมอดูก่อนไหมหรือว่าอันนี้ต้องเครื่องรางอันนี้ดีไหมมันจะมีแต่ความมึนงงแต่คนที่รู้เรื่องปฏิชชามุบาทเนี่ยเขาจะแยกแยะออกได้ว่าอะไรเป็นอะไรแยกแยะออกได้ว่าไอความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมันเกิดจากอะไร เอาแล้วเวลาที่ชันอยากนี่มันเกิดจากอะไรเราจะแก้ตรงนี้ยังไงจะดับยังไงะจะเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้ <Okay. S 1> ย้ํามีครั้งหนึ่งตรงเรื่องของไอ้เจ้าภาษากับความรู้สึกเนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากนะพอเรามีความรู้สึกนะสมมุติเอาตาเราเห็นรูปนะหรือได้ยินเสียงเสียงว้าววเข้ามาทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยหรือมาทางสถานีวิทยุเอานี่พูดถึงชั้นนี่นะนะเราจะรู้แล้วนะเราจะรับรู้ได้เพอเรามีการรับรู้ได้อันนี้พูดถึงชั้นเสร็จปุ๊บ เรากข้าเขาชมหรือเขาด่าล่ะถ้าเขาดา่าเราก็จะมีความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาใช่ไหมพอเขาชมแม้พอเขาดา่าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาพอมีความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาแล้วเนี่ยก็เกิดความอยากที่จะไม่ได้ฟังต่อไปในะอยากที่จะด่ากลับบ้างอยากที่จะไม่ฟังต่อบ้างในนะตรงนี้ก็จึงเกิดตัณหาในะพระเจ้า ok บอกว่าเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหานะพะเราได้รับเวทนาที่เป็นทุกขนัตัณหาในความไม่อยากมี ก็เกิดขึ้นทันทีนะพอเราได้รับเวทนาที่เป็นสุขเขาพูดมาปุ๊บมันเป็นคําชมนี่เป็นคําชมเราก็แหมอยากฟังมากขึ้นอยากแลนะมันจึงมีตันหาเกิดขึ้นนะอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นอยากที่จะได้อีกนะเพราะมีเวทนาจึงมีตันหา้นะเราจะเข้าใจกระบวนการการทำงานตรงนี้ทีนี้เจ้าตันหาเป็นเหตุของความทุกข์เพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะละตันหาตรงนี้ไดนะ้เราก็จะต้องเห็นเจ้าเวทนานี้เป็นความเป็นของไม่เที่ยงนะพอเราเห็นเวทนาเป็นของไม่เที่ยง เราสามารถวางปัญหาตรงนี้ได้อย่าเพิ่งเลยไปถึงตรงนั้นก็ได้นะเอาเรื่องที่เราจะเข้าใจใกล้ตัวมากๆขึ้นอีกหน่อยอย่างเราไปซื้อขนมครกมา ก, กินอย่างเงี้ยหู ค, คนนี้ชอบกินขนมครกมากแล้วนะพอไปซื้อขนมครกมา ก, กินเสร็จปุ๊บใส่ปากเข้าไปแหมอร่อยมากเลยนั่งเกิดสุขเวทนาแล้วนปะรากฏว่าใส่ปากเข้าไปอ้าวขนมครกมันเย็นโอ้ไม่อยากกินแล้วนั่นก็จึงเกิดความไม่อยากเกิดขึ้นนั่งเกิดทุกขเวทนาแล้วก็มีความอยากที่จะไม่กินต่อ มันก็จึงเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดแล้วเกิดอีกเกิดซ้ำเกิดย้ำวันหนึ่งเป็นล้านล้านล้านล้าน้านรอบนเกิดอยู่ตลอดเวลานะตอนนอนตอนฝันก็ไม่เว้นนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหาผัสสะเวทนาตัณหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันรับรู้ผัสสะอยู่ตลอดเวลานะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโจคะผัสสะของเราเนี่ยจะไหลมาอยู่ตลอดเวลานะถ้าเผื่อว่าเรามีผัสสะแล้วเนี่ย นี่งไงเราจะต้องมามารับรู้มีเวทนาเกิดขึ้นนะความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเราธรรมาพอรู้ตรงนี้แล้วนะพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยมันต่างกับคนอื่นตรงที่ว่าคนอื่นเนี่ยพอเขารู้แล้วแล้วเขาจะไหลไปตามแล้คือคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยคุณเดินใจพอมีอะไรมากระทบที่ดีล้าก็ไหลไปตามมีอะไรมากระทบที่ไม่พอใจล้วก็ขยักขยัขยงเกลียดชัง นะคือจะเหมือนกับถูกดึงถูกดันถูกดึงถูกดันไปตามสิ่งที่มากระทบเราตลอดเวลาเรเรียกว่าจะเป็นกับลักษณะของเป็นธาตุของสิ่งที่มากระทบเป็นธาตุของสิ่งที่มากระทบเราก็ไปโทษสิ่งนั้นชื่นชมสิ่งนี้หลงไหลไปสิ่งโ น, น้นกลับมาโทษ ไ, ไม่พอใจสิ่งนั้นอีกอย่างเงี้ย<จ>เราก็จะหลงไหลมุนอิลุงตุงนางไม่รู้ไปทางไหนอยู่ตลอดเวลาอย่างที่<จ>สังคม<า>เราบางคนเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้<จ>นะ <ไป S 2> นวิปริตใจวุ่นวายไปหมดวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่ทําผิดศีลด้วย ด่ากันด้วยว่ากันด้วยคนนี้ทำให้เไม่พอใจก็ด่าเขาคนนี้ทําพอใจก็ชื่นชมเขารับเงินเขามาอะไรอย่างเงี้ยนะเจะ้าก้าทีนี้ว่าพอพอเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าคนที่เข้าใจเขาจะทํำยังไงแล้วเขาจะทราบว่าอ๋อมันเกิดจากพรรษะอ๋อมันเกิดจากเวทนาเนี่พอทราบแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็พยายามที่จะาหาทางคุ้มครองป้องกันตัวเองได้นะคือหมายความว่าคนที่ทราบหลักการการทํางานเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้แล้วเนี่ย ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความรู้สึกที่เราพอใจนะอะไรเป็นเหตุของความรู้สึกที่เราไม่พอใจคือจะไม่ไปโทษคนอื่นแต่จะย้อนเข้ามาหาดูตัวในจิตของเราเองในจิตของเราเองเพราะมันมาจากภาษานี่ใครเป็นผู้ภาษาละ่ะก็คือตัวเราเองใช่ไหมเพราะนั้นภาษาเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุนะเหตุของภาษาก็คือการที่เรามีอยัยตนะพวกตาขูดชมบูลิ้งกายชัพวกนี้ทีนี้ว่าถ้าเราจะมาลงในในรายละเอียด ที่บอกว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างในทั้งหมดสิบอาการเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยจะขอเริ่มจากจุดที่เราเข้าใจได้ง่ายๆก่อนนะคือเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกในยอย่างคนที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยมีเสียงมากระทบหูนะกระทบหูเสร็จปุ๊บอเสียงเป็นอย่างนี้บางทีฉันก็รู้สึกว่าเฉยๆบางทีฉันก็มีความรู้สึกว่าชอบบางทีฉันก็รู้สึกไม่ชอบนะถ้ามันมีคลื่นแทรกอาจจะไม่ชอบทีนี้พอไอความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี่คือเวทนานะ ความรู้สึกเ ว, ว, วทนาคือความรู้สึกทีนี้ไอ้เวทนาคือความรู้สึกเนี่ยมันมันมีสามอย่างพุทธเจ้าบอกนะสอย่างก็มี6อย่างก็มี5อย่างก็มีนะสอย่างเนี่ยพูดถึงสุขเวทนาทุกเวทนาอัตุกรมสุขเวทนาเ น, ะนาีเวทนาห้าอย่างก็มี น, มนะ ท, นที่ว่าสุขโสมนัสทุกโทมนัสแล้วก็อุเบกขาก็มีนะสุขกับโสมนัสต่างกันที่ว่าโสมนัสเนี่ยเป็นความสุขทางกายนะสุขนี่เป็นความสุขทางใจนะทุกนี่เป็นความทุกทาง ทางกายทางใจนะโทมนั์นี่เป็นความทุกข์ทางกายนะอุเบกขาเนี่ยก็เป็นเฉยเฉยทันะ้งได้ทั้งทางกายและทางใจนะัวกวิชาเคยแบ่งอย่างนี้บางทีแบ่งเป็น6อย่างก็มีนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเราดมกลิ่นแล้วเราไม่ชอบอย่างเงี้ยก็จะเกิดทุกข์เพรเวทนาทางกลิ่นอย่างนี้เป็นต้นน ะ, <Okay. S 1> ะส่วนเรื่องของนี่หอย่างนะนี่คือเวทนาพอมีเวทนาแล้วก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้น ทีนี้คือของปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปนะแต่ของพระอริยเจ้าเนี่ยเกิดตัณหาปุ๊บแล้วมันดับทันทีนะคนธรรมดาทั่วไปพอเกิดตัณหาขึ้นก็คือความอยากนะอยากที่จะอยากในทางกลางนะคืออยากที่จะได้มาเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนะห้าอย่างนะส่วนเรื่องของใจพระเจ้าแบ่งออกเป็น2องนะคือตัณหาในความมีความเป็นกับตัณหาในความไม่มีไม่เป็นนะคืออยากมีอยากอยากอยา ก, อ, อ, อยากได้ อ, อ, อยากมีอยากเป็นส่วนอย่างที่2นี่คืออยากที่จะไม่เป็น ก็เรกว่าภาวะตันหากับวิภวะตันห <Okay. S 1> ะตันหาตรงนี้เกิดอยู่ในใจเราเสมอเป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปทําดีทําชั่วทําบาปทํากุศลอยู่ตรงนี้หมดเลยนะตันหาตรงนี้แหละที่ว่าลึกลับซับซ้อนเป็นเหมือนกับยางเหนียวเป็นสิ่งที่มาคอยดึงหลังเราอยู่ไม่ให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้หรือไปมรรคผลนิพพานได้อย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ไหลเรื่องไหลต่อเนื่องซึมซาบหลายนองเป็นเครือข่าย นะที่เราจะต้องเดินไปไหนก็เหมือนกับดักหนูอะ่ะโดน <Okay. S 1> ติดหนึบติดหนึบอยู่ตลอดเวลานะคือติดหนึบให้เราอยู่ในภพนะที่เราจะละมันได้เราต้องดับเวทนาให้ได้ซะก่อนนี่เวทนาเป็นของม่เที่ยงทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกเช้าเคยพูดก็คือพอมีตัณหาแล้วจะทําให้เกิดการสแสวงหานะการสแสวงหาตรงนี้คือสแสวงหาได้ก็มีสัยแสวงหาไม่ได้ก็มีนะพอสแสวงหาจะทําให้เกิดความรักความปรองใจมีความจับอกจับใจมีความกําหนัดมัวเมาปัวพัน แล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่างๆเหล่านี้ก็มี <Okay. S 1> นะไปถึงถึงสายนูน้นะเป็นลักษณะของการทํางานเป็นคู่ๆทีนี้พอเรารู้แล้วว่าพอจิตของเราเนี่ยมีตันหาน่ะเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นนะสิ่งนั้นที่เราเข้าไปรับรู้เนี่ยจะเป็นความทุกข์ของเราทันทนะีเพราะว่าตันหาทําให้มีความยึดยกตัวอย่างง่ายๆการหลีกเลนปฏิบัติที่วัดป่าเราไหนสอกคุณจินใจเราออกกฎมาบอกว่าให้คุณอย่าคุยกันแตนะ่ถ้าผู้หลีกเล่นที่มาเขารู้แล้วเออไม่คุยกันก็ดีนะฉันไม่คุยกันแล้วกัน เราเราสบายใจละวฉันไม่คุยแต่ปรากฏ ว, ว่าถ้ามีคนอื่นคุยกันถ้ามีคนอื่นคุยกันเรายึดมั่นในกฎนี้มากเราจะเป็นทุกข์ทันทีเอ้าเขาไม่ให้คุยกันแล้วเธอคุยทําไมงนี้เราจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะเรามีความยึดในกฎข้อนีเอ้เรามีความยึดในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวต่อเรา ท, น<ๆ>ทันทีสิ่งไหนน่ากลัวสิ่งนั้นจะนําความทุกข์มาให้เราทันทีแะเรากลัวว่าคนอื่นเขาจะมาผิดกฎข้อนี้ข้อนี้ก็เราก็ตั้งเองด้วย แส่ว่าเราหาทุกข์ใส่หัวเราด้วยเราเองเพราะว่าเราไปมีตัณหาในสิ่งนั้นนะเรารู้กระบวนการการทำงานตรงเนี้ยเราจะพอที่จะแยกแยะออกได้ว่าอ๋อ oh, อันนี้เป็นเหตุของทุกข์นะปาทิ้งอันนี้เป็นความทุกข์นะเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างนี้นะ <Okay. S 1> ในเรื่องของอเวทนากับตัณหาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนาตามาต้องพูดซ้ําพูดย้ําเพื่อให้ท่านฟังเข้าใจว่าเวลาเรามีเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตมันจะไปมีตัณหา ในทางที่ดีทางที่อยากได้ก็มีในทางที่ไม่อยากจะมีก็มีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องปิดกั้นตัญหาตรงนี้ให้ได้แตนะ่ทำยังไงให้ตัญหาของเราเนี่ยเบาบางลงไปเหลือน้อยลงไปนะคำว่าเบาบางเหลือน้อยเนี่ยคือบางคนเนี่ยปัญหามากถึงขนาดเรียกว่าไปทําผิดสิ <Okay. S 2> นะขโมยฆ่าลักประพืชผิดในกามนั่นก็เพราะว่าตัญหามันมากนะแต่ถ้าตัญหาน้อยๆ อ, อยู่ในระดับที่พอจะควบคุมได้อันนี้ก็ก็ไม่ใช่ว่าดีนะก็ยังไม่ดีนะแต่ว่าก็ยังดีกว่าหลายๆคน นี่ยคือหมายความว่าอย่างพระสงฆ์ที่นั่งสมาธิอยู่ตามป่าตามเขาอย่างเนี้ยเขายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเนี้ย <S <S คุณนั่งสมาธิอยู่เขาฉันอยากเป็นพระอรหันต์เว้ยนะแค่คิดแค่นีค้ Lindsay คือจิตคุณมีตัณหาแล้วน ะ, <S <S ะมีตัณหาเกิดขึ้นในจิตแล้วที่ว่าอยากเป็นพระอรหันต์นะหรือว่าอยากที่จะบรรลุเพราะนั้นตัณหาตรงนี้อย่างน้อยมันยังถูกควบคุมได้อยู่ในกรอบของธรรมะแนะยังเป็นไปเพื่อความขวนขวายน้อยเป็นไปเพื่อความที่จะหลีกออกจากกามแต่เพราะฉ<ช><น>ะนั้นตัณหาตรงนี้ก็ไม่เรียกว่าตัณหาเราเป็นความปรารถนาเป็นความต้องการ เป็นการเจริญอิธิบาทีเป็นชันท h เป็นความพอใจแต่เพราะนั้นตันหาตรงนี้ถ้าเรามองแยกให้ดีเนี่ยอไอความอยากของเราที่เป็นส่วนที่เป็นตันหาก็มีในความอยากชนิดที่ไม่ใช่ตันหาก็มีแต่เพราะนั้นอาจจะมาต้องการจะพูดถึงใช้คําว่าอยากอยากเนี่ยนะในเฉพาะของคำวา่าตันหานะส่วนถ้าอะไรที่มันดีที่มันเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานเนี่ยอันนี้จะใช้ว่าความต้องการหรือว่าใช้ความว่าความพอใจ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าผูวเราตกอยู่ในอำ น, นาจของเวทนาเนี่ยตันหาจะเกิดขึ้น แต่ถ้าเราพอจะคุมเวทนาของเราได้นะไอสอิส่งที่จะเกิดขึ้นจะไม่ใช่ตัณหาแล้วจะเป็นความพอใจหรือว่าการที่ทําไปตามความต้องการในอย่างเช่นพระอาหารหันเนี่ยตื่นเช้ามาหิวข้าวนะคุณเทินใจหิวข้าวเนี่ยต้องไปกินข้าวนะถามว่าไอการที่ต้องไปกินข้าวของท่านเนี่ยเป็นตัณหาหรือว่าเป็นแค่เวทนาแล้วก็มีความต้องการเฉยๆนะคาตอบก็คือว่าเป็นแค่เวทานาแล้วก็มีความต้องการเฉยๆนะคือเพราะว่าตัณหาของท่านไม่มีแล้ว ในการที่จะเป็นไปเพื่อ ก, การนะที่จะอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคบธรรมะเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องของปฏิสมุบบาทเนี่ยเราจะทําความเข้าใจว่าอ๋อจากสิ่งนี้นะมันจะมาเป็นสิ่งนี้ต่อไปนะเราจะแยกแยะ ย, ยังไงจะทําให้พอที่จะใไข้ครุญธรรมะแล้วเข้าใจได้ก็คื อ, อรู้ถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงได้เกิดความรู้สึกที่ว่าจะ เวทนาก็คือชอบไม่ชอบเป็นสุขไม่เป็นสุขหรือกลางๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ใเจ้าค <toppings. S 2> ่ะทีนี้วเวทนาเรากปวางซะใช่เวทนานี้ถ้าเราไม่ได้รับการควบคุมนะถ้าเราไม่ได้ควบคุมเวทนาได้บ้างนะเราจะทําให้มีตันหามากอย่างบางอย่างเนี่ยโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดออกมา อ, อ, อยากได้มากนะเพราะ <ห olds S 1> ว่าเรามีมีเวทนาที่เราควบคุมไม่ได้นะพอเรามีเวทนาที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยจึงมีตันหามากที่นี่ชื่อว่าเราควบคุมไม่ได้ ทำให้ต้องไปซื้อทำให้ต้องไปขโมยทำให้ต้องไปทำปิดสินี้ก็มีแต่ถ้าเราพอจะควบคุมเวทนาของเราได้เราก็รอจังหวะเอากาสพอเหมอคุณเก็บตั้งได้คุณก็ไปซื้อหรือว่าคุณไปใช้อย่างอื่นที่มันไม่ต้องมีความอยากตรงนี้เราก็พอจะควบคุมเวตนาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะจำเป็นต้องทำเนี่ยคือการควบคุมเวทนาการควบคุมเวทนาตรงนี้ะเราจะควบคุมเวทนาได้คุณก็จะต้องมีการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องของเวทนานะคือความรู้สึก เราจะเห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องของเวทนาได้เราต้องมีสตินะหลายหลายท่านพอม า, าพอที่จะเข้าใจเรื่องปฏิสมุบาทบ้างเนี่ยก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสติอยู่ตรงไหนในส่วนของปฏิสมุบาทเนะีเพราะว่าถ้าพูดถึง11อาการแล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่สังขารใช่ไหมมาเป็นอวิอาวชามาเป็นสังขารสังขารมาเป็นนามรูปนามรูปเป็นวิญญาณวิญญาณมาเป็นสลายตนะสลายตนะมาเป็นผันสามาพันสาแล้วก็ มาเป็นเวทนาเวทนาก็เป็นตัณหาตัณหาก็เป็นอุปาทานอุปาทานก็เป็นพบพบกับเป็นชาติชาติก็เป็นความทุกข์นะ<ช>ไม่มีสติอยู่ในนี้เลยแต่ก็ต้องบอกว่าสติเนี่ยอยู่ตรงจุดที่เป็นสังขาร น, นั่นแหละนะสังขารตรงนั้นจะมีสติอยู่อืมเจ้าคนะ่ะเจ้ค่ะทีนี้มันก็มากระรบวนการหมดนะทั้งเกิดทั้งดับอยู่ตรงนี้ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหาคุณก็ต้องทําตรงนี้เหมือนกันนะโดยการที่มีสติอยู่ในลมาใจของเรานะ อืมเจ้าค่ะก็เสียดายที่ว่าเวลาในรายการทำมารับรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วนะเจ้าค่ะยมคิดว่าอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะซึ่งเราก็เข้าในเดือนมิถุนายนแล้วนะเจ้าค่ะซึ่งก็เดือนที่เรียกว่าจะเราจะร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันจันทร์ที่4มิถุนายนดังนั้นโยมก็จะขออนุญาตว่าสาวอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้อีกดีไหเจ้าค่ะ เพราะว่าเป็นแก่นคําสอนของพุทธองค์จริงๆอยากนำท่านผู้ฟังย้อนมาถึงแก่นลากจริงๆเพื่อเป็นการเรียกว่ า, านึกย้ำทวนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบว่าแก่นคําสอนของพุทธองค์นั้นมีอะไรบ้างนะเจ้าคะเจ้าคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นตรงนี้จึงให้ทราบแค่ว่ามันมีกระบวนการการทํางานที่เป็นเป็นผลนะนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีในลักษณะนี้วันนี้ก่อนเจ้าค่ะ สำหรับเชาววันนี้ก็คงจะต้องนําท่านผู้ฟังกราบนมัสการลาแล้วก็กราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งแต่พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโะซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวย ก, การหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนไหสุกตําบลดอนไหสุกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิ พ, พัพกรเป็นเจ้าอาวาสค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจริญ สาธุเจ้าค่ะ